ก็พอดีมีพระองค์หนึ่งชื่อพระศีนวลเพิ่งมาจากวัดป่าบ้านโคกนามน์แล้วเผิญเข้าไปพักด้วยกันที่วัดทุ่งสว่างเราถามท่านว่ามาจากไหนมาจากบ้านนามนจากท่านอาจารย์มั่นหึหึขึ้นทันทีเลยนะเพราะพอได้ยินชื่อว่า